เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีกระสือผีกระสือนั้นเป็นตำนานที่ถูกเล่าสืบต่อกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอดีตตามความเชื่อของคนที่เคยเห็นหรืออ้างตนเองว่าเคยสัมผัสกับผีกระสือมาก่อนว่ากันว่าผีกระสือ จะเป็นผู้หญิงที่มีหัวกับลำไส้และมีแสงล่องลอยไปมาบนท้องฟ้าเพื่อมองหาของสุกปรกเพื่อเอามากินเป็นอาหารถือว่าเป็นผีที่อยู่ในภาพจําของคนไทยมาโดยตลอดแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็ยังมักจะมีเรื่องราวเล่าขานตำนานของผีครสือออกมาตามสื่อต่างๆอยู่บ้างเหมือนกัน ตามตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาได้ระบุเอาไว้ว่ากระสือจัดเป็นผู้ชนิดหนึ่งที่มีวิบากกรรมทำให้เป็นผู้ตอนเป็นมนุษย์ได้หากินทางมิชอบคือหลอกลวงต้มตุนเพื่อนมนุษย์เช่นนาของปลอมมาหลอกขายบอกว่าเป็นของจริงหรือของโบราณไม่ว่าจะเป็นหญิง หรือชายก็ตามเมื่อตายไปแล้วก็จะไปเป็นเปรตก่อนซึ่งมีความหิวโหวยมากชอบกินของบูดของเนา่าเพราะวิบากกรรมมีพฤติกรรมที่สกปรกโลภมากอยากได้ทรัพย์สินของผู้อื่นในทางมิชอบพ้นจากสภาพเปรตหากกรรมยังไม่หมดก็จะมาเกิดเป็นพูดจะได้กินเฉพาะของสกปรกของข่าว ของเน่าเหม็นโดยที่จะเข้าสิงสู่ได้เฉพาะคนที่มีวิบากกรรมเหมือนกับที่ตัวเองเคยทำตอนเป็นมนุษย์มันถึงจะดูดไปหากันได้ไม่ใช่ว่าอยากจะเข้าสิงใครก็สิงได้ท้งนี้ผูดมีลักษณะคล้ายๆผีแต่มีฤทธิ์มากกว่าคือสามารถแปลงกายเป็นสัตว์ได้แต่ผี แปลงกายไม่ได้พูดบางตนแปลงได้มากบางตนก็แปลงได้น้อยบางพูดแปลงได้สองอย่างสามอย่างสี่อย่างบางพูดแปลงได้แค่เป็นหมาดำตัวใหญ่บางพูดแปลงเป็นงูได้เป็นตน้นซึ่งพูดจะมีชีวิตสิงสู่อยู่เหมือนกาฝากที่ติดตามต้นไม้ต่างๆ ยิ่งอยู่นานไปก็จะยึดทั้งร่างกายและจิตใจของมนุษย์นั้นเหมือนกาฝากที่ขยายขึ้นคลุมต้นไม้พูดพวกนี้จะชอบที่มืดไม่ชอบแสงสว่างแต่ไม่มีหัวและไส้ตามที่เข้าใจจะถอดจิตของเจ้าของร่างออกขณะที่เจ้าของร่างนอนหลับเมื่อถอดไปแล้วเจ้าของร่างก็ไปไหนไม่ได้ จะเห็นเป็นดวงไฟสว่างเป็นสีสีส่วนใหญ่ก็จะมีสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีส้มลอยขึ้นขึ้นลงๆเพื่อหาอาหารดวงนั้นก็คือดวงจิตของมนุษย์ที่มีวิบากกรรมแล้วถูกบังคับให้ออกมาโดยพูดจะหุ้มดวงจิตนั้นไว้ซึ่งมนุษย์จะเห็นแค่เพียงดวงลอยไปเท่านั้น แต่มองไม่เห็นตัวพูดเช่นเดียวกันกระสือก็ชอบกินของสกปรกของขาวของเน่าเหม็นเวลากินก็ต้องแปลงร่างเป็นพูดก่อนมีรูปร่างคล้ายๆคนผอมๆดำๆหน้าเกลียดไม่นุ่งผ้าแต่คนจะมองเห็นแค่ดวงแต่ตัวก็จะแปลงรึบขึ้นมาเลยมันจะกึงหยาบ กึงละเอียดแล้วก็กินของเน่าสกปรกด้วยความอร่ออร่อยเพราะวิบากกรรมบังคับเมื่อกินเสร็จแล้วก็จะมาเช็ดปากกับเสื้อผ้าที่ชาวบ้านตากทิ้งไว้ค้างคืนแล้วทิ้งร่องรอยสกปรกไว้มีความเชื่อกันว่าถ้าเอาผ้าที่มีกระสือมาเช็ดปากไปฟาดที่บันได ก็จะทำให้คนที่เป็นกระสือเกิดปากบวมบ้างหรือเอาผ้าไปต้มให้ปวดแสบปวดร้อนแต่ก็มีบางประวัติกล่าวว่ากระสือจะสิงเด็ดขาดในผู้หญิงเวลากลางวันจะมีร่างเหมือนหญิงทั่วไปมีพฤติกรรมแปลกๆคล้ายคนป่วยแต่ตกกลางคืนดึกๆ วิญญาณร้ายที่สิงอยู่ในส่วนลึกของจิตใจจะบีบเค้นให้ศีรษะและอวัยวะภายในหลุดออกจากร่างลอยออกไปล่าเหยื่อกินวัวควายและสัตว์เล็กๆประเภทกบเขียดแต่มักจะหลบคนและไม่ทำร้ายคนนอกจากจะจนมุมแล้วเท่านั้นกระสือชอบกินเครื่องในโดยเฉพาะไส้แบบสดๆ จากนั้นก็จะไปเช็ดปากตามผ้าที่ตากไว้ตามบ้านต่างๆนอกจากนี้ผีกระสือยังชอบกินอีกอย่างก็คืออุจระเนื่องจากคนสมัยก่อนไม่มีส้วมแต่จะขุดหลุมใช้เป็นส้วมชั่วคราวทำให้ผีกระสือสามารถกินอุจระได้ง่ายจนชาวบ้านทนไม่ไหวต้องให้หมอผีมาปราบแต่การปราบผีกระสือนั้น ไม่สามารถไล่ออกจากร่างของเหยื่อเคราะไรได้เพราะวิญญาณ น, นั้นได้ยังลึกลงในจิตใจของคนคนนั้นฉะนั้นการปราบผีกระสือก็เท่ากับต้องฆ่าคนคนนั้นไปเลยและในสมัยโบราณเมื่อบ้านได้มีหญิงตั้งคันชาวบ้านจะเชื่อกันว่ากระสือจะต้องไปที่บ้านหลังนั้นเพื่อกินรกเด็กอย่างแน่นอน จึงมักนำปลายไม้ไผ่แหลมๆหรือสิ่งของมีคมต่างๆมาล้อมเอาไวร้รอบๆบ้านเพราะเชื่อกันว่าเป็นสิ่งที่กระสือกลัวและเกลียดมากที่สุดคือเมื่อใดที่กระสือนั้นได้เข้าไปใกล้สิ่งของแหลมๆเหล่านั้นใส่อันมณีงระยางของมันก็จะไปเกี่ยวกับนามไม้และเป็นการยากที่จะออกได้ ลักษณะพิเศษอีกอย่างของผีกระสือคือจะมีดวงไฟวูบวาบอยู่ที่หัวใจซึ่งเชื่อกันว่านั่นคือวิญญาณที่สิงอยู่ในตัวของคนเคราะร้ายเมื่อมองจากที่ไกลๆจะเห็นเป็นดวงไฟสีเขียวๆส่องสลัวๆในความมืดผีกระสือนั้นมีความรอบครอบพอดู เพราะเมื่อมันออกจากร่างไปหากินมันจะคาบผ้าห่มมาคลุมร่างไร้หัวของมันเอาไว้ก่อนร่างของมันก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หรือพูดอีกอย่างก็คือร่างนั้นจะกลายเป็นศพอยู่ขณะหนึ่งที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดเพราะอาวัยวะภายในได้หลุดออกไปหมดแล้วร่างนั้นจะสงบนิ่งอยู่ จนกว่ากระสือจะกลับมาเข้าร่างเดิมอีกครั้งกระสือในรูปแบบที่คนไทยส่วนใหญ่รู้จักคือเป็นผู้หญิงแก่ที่ล่องลอยไปพร้อมกับหัวและไส้และอวัยวะส่วนอื่นเช่นหัวใจปอดลำไส้และอวัยวะภายในอื่นๆและสามารถเรืองแสงได้เรืองเรืองแต่ทว่า ตามนิยามของสเสถียนโกเศตแล้วกระสือเป็นเพียงผีผู้หญิงแก่ที่มีเพียงหัวกับแสงเรืองๆเท่านั้นไม่มีไส้หรืออวัยวะส่วนอื่นใดซึ่งกระสือที่มีหัวกับไส้หรืออวัยวะส่วนอื่นๆแบบที่คุ้นเคยกันนั้นมาจากภาพวาดของทวีวิษนุ ก, ก่อนที่แต่งเติมเอาจากจินตนาการ ในใบปิดภาพยนตร์เรื่องกระสือสาวที่ฉายเมื่อปีพุทธศักราช2516ซึ่งนำแสดงโดยสมบัติเมธนีและพิสมัยวิไลศักระสือมักจะได้รับการอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ว่าคือดวงไฟที่ลุกโชนจากโมเลกุลของก๊าซมีเทนที่เกิดจากการสะสมของซากเน่าเปื่อย ของอินทรียสารในนาข้าวหรือท้องทุ่งแต่ในทัศนะของรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์สิรินทรเทพเต้าประยูนนักวิชาการผู้ค้นคว้าเรื่องพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าทนบุรีเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะก๊าซมีเทนในนาข้าวไม่ได้มีปริมาณมากพอ ที่จะทำให้เกิดการลุกไหม้อีกทั้งถ้าลุกไหม้ได้จริงก็น่าจะปรากฏอยู่บริเวณเฉพาะผิวหน้าของวัตถุมีได้ลอยขึ้นไปในอากาศหรือเคลื่อนที่ได้อีกทั้งในทางกายวิภาคร่างกายมนุษย์เมื่อถอดหัวออกแล้วอวัยวะอื่นๆเช่นไ่หัวใจหรือปอดก็จะไม่ติดออกมาด้วย การสืบทอดทายาทของกระสือนั้นกระสือสืบทอดทายาทโดยการให้ผู้ที่ตนเองต้องการจะให้เป็นทายาทกินน้ำลายของมันเองและแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะค่อยๆซึมซับความเป็นกระสือไปทีละน้อยจนนานวันเข้าก็จะกลายเป็นทายาทกระสือไปปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พบเห็นกระสือก็มีอยู่ไม่ค่อยมากนักหรือกระสืออาจจะหายไปกับวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านที่ถูกกระแสการเวลาเปลี่ยนไปแล้วก็ได้เรื่องราวของการพบเจอผีกระสือในสมัยก่อนนั้นก็มีบันทึกไว้หลายเรื่องราววันนี้เราจึงขอหยิบยกบางเรื่องที่น่าสนใจ เกี่ยวกับประสบการณ์พบเจอผีกระสือมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับเรื่องนี้มีชื่อว่าเรื่องเล่าของแม่ตอนผีกระสือเรื่องราวก็มีอยู่ว่าสมัยก่อนแม่ของเราอาศัยอยู่กับยา่าซึ่งบ้านของย่านั้นฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สมัยก่อน ยังเป็นฝาจากอยู่แล้วแม่ก็อยู่บ้านใกล้ๆกันกันกบลูกพี่ลูกน้องของแม่ซึ่งสมัยนั้นแม่อยู่มัธยมแล้วด้วยความที่เป็นเด็กและก็ขี้เกียจเดินไปคุยกับลูกพี่ลูกน้องจึงใช้วิธีแหวกฝาจากคุยกันเวลาแหวกฝาจากก็จะเป็นโปรงและไม่คืนกลับสภาพเดิมอยู่มาคืนหนึ่ง แม่ก็เข้านอนกับยา่าซึ่งสมัยนั้นยังนอนมุ้งกันอยู่และห้องน้ำก็อยู่ด้านนอกของตัวบ้านคุณย่าจึงมีกระโถนฉี่สำหรับเอาไว้เวลาต้องการเข้าห้องน้ำตอนดึกแม่และย่าก็เข้านอนกันตามปกติแต่แม่ยังไม่หลับคืนนั้นรู้สึกว่ามันแปลกแปลกทั้งบรรยากาศ และอากาศรอบๆตัวแต่แม่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งแม่เริ่มเคลิ้มๆจะหลับนั่นเองสายตาก็พลันเหลือบมองไปทางฝาจากที่แหวกคุยกับลูกพี่ลูกน้องอยู่ทุกวันทันใดนั้นก็มีดวงไฟประหลาดขนาดประมาณเท่าหัวเด็กทารกลอยเข้ามาทางฝาจากนั้นแม่ก็ตกใจมาก แต่ก็ไม่กล้าร้องออกมาจึงได้แต่นิ่งและมองจ้องดวงไฟดวงนั้นตลอดเวลาดวงไฟนั้นค่อยๆลอยเอื่อยๆมาที่มุ้งของแม่และลอยไปตรงที่หญ้าของแม่วางกระโถนฉีไว้ลอยวนไปมาอยู่สองรอบแม่ทนกลัวไม่ไหวจึงสะกิดหญ้า คุณย่าก็ลืมตามาเห็นจึงบอกแม่ว่าเออไม่ต้องกลัวอีหนูนั่นมันหิงห้อยแต่ในใจแม่ไม่สามารถยอมรับได้ว่ามันเป็นหิงห้อยเพราะดวงมันใหญ่มากและแม่ก็รู้จักหิงห้อยแม่จึงเรียกย่าอีกครั้งคราวนี้แม่ต้องลุกคลุมโปรงเพราะแม่เห็นย่า กำลังสวดมนต์อยู่แม่จึงคิดได้ว่านี่ต้องเป็นกระสือแน่นอนย่าสวดมนต์ไปสักพักดวงไฟดวงนั้นก็ลอยหายออกไปทางฝาจากที่แม่แหวกไว้พอรุ่งเชา้าแม่ก็ถามยายว่าเมือ่อคืนใช่กระสือไหมย่าก็ตอบว่าใช่เพราะว่าแม่ แวกฟ้าจากเอาไว้แล้วผีกระสือคงหิวจึงเข้ามาหาอาจมกินตั้งแต่นั้นมาแม่ก็ไม่แวกฟ้าจากคุยกับลูกพี่ลูกน้องอีกเลยเรื่องราวปารำปราเกี่ยวกับกระสือที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับเรามาฟังเรื่องแรกกันดีกว่าเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่า มียายแก่ที่ปลูกบ้านอยู่คนเดียวคนหนึ่งแกไม่มีลูกไม่มีหลานแกก็มักจะรับเด็กคนหนึ่งไปนอนเป็นเพื่อนแกเป็นประจำและแกก็มักจะชวนเด็กคนนั้นออกไปหาปลาในตอนกลางคืนซึ่งก็ไม่เคยจะได้ปลาอะไรหรอกจะได้ก็แต่หอยขมทุกครั้งที่ไปหาปลาเจ้าเด็กคนนี้ อดสงสัยไม่ได้ว่าที่ยายแก่พาไปหาปลานั้นมันคือที่ไหนกันแน่มันคลับคล้ายคลับคลาแต่ก็จำไม่ได้จนวันหนึ่งเจ้าเด็กน้อยคนนี้ก็ทนความสงสัยไม่ได้เจ้าเด็กก็เลยเอาผ้าขาวไปผูกไว้กับต้นไม้เพื่อทำเป็นเครื่องหมายเพื่อเวลากลางวัน จะได้ลองหาดูแต่พอรุ่งเช้าเมื่อเด็กคนนี้กลับบ้านก็เห็นว่าผ้าขาวที่จำได้ว่าผูกกับต้นไม้นั้นตอนนี้มันผูกติดอยู่กับเสาบ้านนั่นเองเจ้าเด็กน้อยคนนั้นก็รู้ได้ทันทีว่ายายแก่นั้นที่แท้ก็คือกระสือและหอยขมที่หาได้ ก็คือขี้ไก่ใต้ทุนบ้านนั่นเองมาถึงเรื่องที่สองเรื่องราวก็มีอยู่ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่มักจะอุ้มน้องมาเล่นที่วัดเป็นประจำและที่วัดก็มีส้มโอที่กําลังออกผลอยู่ทีนี้เจ้าคนน้องเกิดอยากได้ส้มโอก็ร้องไห้บอกให้คนพี่เด็ดส้มโอให้ คนพี่ก็บอกว่าส้มโอวัดเด็ดไม่ได้เดี๋ยวสมพานตีเอาแต่เจ้าน้องก็ร้องจะเอาอยู่นั่นแหละเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นอยู่ในสายตาของสมพานที่แอบดูอยู่โดยเด็กสองคนไม่รู้ตัวในที่สุดเมื่อนทนรบเร้าไม่ไหวพี่คนนี้ก็เลยต้องเด็ดส้มโอให้น้อง สมพานเห็นดังนั้นก็แกล้งคู่ไปว่าเด็กนี่มาเด็ดส้มโอวัดได้อย่างไรจะตีให้หลังลายเด็กคนนั้นเลยบอกว่าอย่าตีหนูเลยหนูขอยืมให้น้องเล่นสักพักเดี๋ยวหนูจะเอาไปติดคืนให้สมพานก็ถามว่าเด็ดไปแล้วจะติดคืนได้อย่างไรเด็กก็บอกว่าได้สมพานเลยบอกว่า ถ้าเองติดไม่ได้ข้าจะตีให้หลังลายสักพักเมื่อคนน้องหายโยเยคนพี่ก็ขอส้มโอคืนแล้วใช้น้ำลายแตะตรงขัวแล้วนำส้มโอไปติดคืนได้ดังเดิมสมภารเห็นดังนั้นก็แปลกใจไม่คิดว่าเด็กตัวเล็กๆ ก, ก็มีวิชาอาคมเลยขอให้เด็กสอนวิชาให้ เด็กก็บอกว่าไม่ดีหรอกและพยายามบ่ายเบียงสมภารเลยต้องขู่เด็กเลยให้สมภารอ้าปากและถมน้ําลายใส่ปากสมภารเมื่อเด็กกลับไปแล้วสมภารก็ทดลองเด็ดส้มโอมาแล้วลองติดคืนก็สามารถทำได้จึงทำให้สมภารดีใจเป็นยิ่งนักแต่เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งที่ผิดปกติก็เกิดขึ้นสมภารเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้สมภารได้เรียกพระลูกวัดมาสอบถามว่าสองสามวันมานี้ตัวเองมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าพระลูกวัดก็ตอบว่าไม่เห็นมีอะไรที่ผิดปกตินี่นาะสมภารก็เลยเปิดให้ดูใต้เตียง พระลูกวัดถึงกับตกใจเพราะที่ใต้เตียงนั้นมีอุจระแห้งอยู่จำนวนหนึ่งสมพานบอกว่าสองสมวันนี้เป็นอะไรไม่รู้เกิดอยากกินแต่ยังทำใจไม่ได้ก็เลยเก็บมาไว้ใต้เตียงพระลูกวัดเลยถามถึงที่มาที่ไปสมพานเลยบอกว่าตั้งแต่เรียนวิชากับเด็กคนนั้น ก็มีอาการแปลกๆแบบนี้แหละพระลูกวัดเลยบอกว่าแน่นอนเด็กคนนั้นเป็นกระสือและท่านก็กำลังจะกลายเป็นกระสือและเมื่อได้เจอเด็กคนนั้นอีกสมภารวัดก็รีบเข้าไปต่อว่าเด็กทันทีว่าเด็กมาแพร่เชื้อกระสือให้ตนได้อย่างไรเด็กคนนั้นก็บอกว่า ท่านบังคับหนูเองนี่นาะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าท่านทมน้ำลายใส่ปากหนูคืนท่านก็จะไม่เป็นไรแล้วสมพานก็ทำตามและกลับคืนสู่ปกติในที่สุดนี่นับว่าสมพานรูปนี้ยังโชคดีอยู่สำหรับเรื่องราวประำปราเกี่ยวกับผีกระสือเรื่องที่สามนี้ เป็นเรื่องของคู่รักชายหญิงสองคนที่วันหนึ่งทั้งสองได้นัดเจอกันที่ท้ายนาตามประสาคนรักกันฝ่ายชายได้ไปรออย่างที่หมายก่อนแต่รอก็นานแล้วฝ่ายหญิงยังไม่มาสักทีก็ไม่รู้นึกอย่างไรฝ่ายชายเลยปีนขึ้นไปรอบนต้นไม้แล้วในที่สุดฝ่ายหญิงก็มา แต่ฝ่ายชายกลับคิดว่าอยากปล่อยให้เรารอดีนักต้องแกล้งปล่อยให้รอสะบ้างฝ่ายหญิงคนนั้นนึกว่าฝ่ายชายยังไม่มาก็ได้แต่รอพอผ่านไปสักพักฝ่ายชายก็ได้เห็นบางสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นเมื่อแฟนของเขาเอานิ้วจุ่มน้ำลายและทาวนไปรอบศีรษะ แล้วถลกหนังหัวออกมาวางบนหัวเข่าแล้วนั่งหาเหา่าฝ่ายชายเห็นดังนั้นก็ร้องลั่นตกลงมาจากต้นไม้กระสือตนนั้นเมื่อเห็นว่าความลับถูกเปิดเผยก็กำชับชายคนนั้นว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครชายคนนั้นก็ได้ให้สัญญาแต่กระสือสาว ยังไม่ไว้ใจจึงยื่นมีดโกนให้ชายคนนั้นกลืนลงท้องและบอกว่าหากนำเรื่องนี้ไปเล่าให้ใครฟังมีดโกนในท้องจะบาดไสจนตายทันทีด้วยความกลัวชายคนนั้นจึงได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับโดยไม่ยอมเปิดเผยแล้วเวลาก็ผ่านไปเป็นเดือน เป็นปีสิบปีร้อยปีชายคนนี้เพิ่งสังเกตเห็นว่าในขณะที่คนรอบข้างเขาต่างพากันล้มหายตายจากแต่เขากลับยังมีชีวิตอยู่ได้ต่อมานับร้อยร้อยปีมาถึงตอนนี้ชีวิตที่เคยหวงนักหวงหนาก็ดูเหมือนจะไม่มีค่าอะไรแล้ว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 เรื่องราวเกี่ยวกับกระสือไม่ได้มีเฉพาะในประเทศของเราเท่านั้นนะครับในแถบมาเลเซียยังมีเรื่องของผีที่มีลักษณะคล้ายกระสือของไทยด้วยเรียกว่าฮันตูปินังกาลันหรือปินังกาลันเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าครอบครัวหนึ่งประกอบไปด้วยพอ่อแม่ลูก วันหนึ่งในตอนกลางคืนผู้เป็นพ่อได้ออกไปทําธุระข้างนอกบ้านผู้เป็นแม่ปิดประตูอยู่ในห้องแล้วนางก็หยิบเอาขวดน้ำมันมนมาทารอบคอสักพักหัวกับตัวของนางก็แยกออกจากกันโดยมีตับไตไส้พุงห้อยติดมาด้วยเวลาที่ออกหากิน จะเห็นเป็นแสงสีเหลืองและมีเสียงดังดุดลมพัดตลอดเวลานางจะลอยไปเพื่อขับไล่สัตว์เล็กสัตว์น้อยที่จะเข้ามายุ่งกับพวงไส้ของนางผู้เป็นลูกได้แอบเห็นดังนั้นจึงลองเอาน้ำมันมนของแม่มาลองทาดูบ้างขณะที่หัวกำลังจะแยกออกจากตัวเด็กน้อยเกิดกลัว จนร้องโวยวายออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหัวของฉันกําลังจะหลุดออกจากตัวแล้วจนชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินกันจนทั่วแต่ก็ไม่มีใครกล้าเยี่ยมหน้าออกมาให้ความช่วยเหลือจนกระทั่งหัวของผู้เป็นแม่ลอยกลับมาเสียงร้องโวยวายก็เงียบลงหลังจากนั้นครอบครัวนั้น ว่าได้ย้ายหนีไปจากที่นั่นและไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยซึ่งความแตกต่างของฮันตูปินังกาลันและกระสือก็ต่างกันที่สีของดวงไฟที่กระสือจะเป็นแสงสีเขียวหรือแดงและฮันตูปินังกาลันจะเป็นสีเหลืองอีกทั้งฮันตูปินังกาลันยังมีความดูร้ายกว่าด้วย นอกจากนั้นแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปีศาจที่สามารถถอดหัวหากินได้ในเวลากลางคืนที่เรียกกันว่านุเกคุบิอาศัยอยู่แถบภูเขาบริเวณมนทนไคจนซามูไรผู้กล้าคนหนึ่งเลิกจากการเป็นซามูไรแล้วได้บวชเป็นพระทุ ด, ดงผ่านไปหัวหน้าปีศาจในร่างมนุษย์ ก็ได้นิมนต์ให้ไปพักที่บ้านในเวลากลางคืนพระก็ตื่นขึ้นมากลางดึกหวังจะดื่มน้ำโดยไม่รบกวนเจ้าของบ้านขณะที่ผ่านไปยังห้องที่เหล่าปีศาจกำลังนอนกันอยู่ก็พบว่าทั้งหมดเป็นร่างที่ไม่มีหัวพระจึงตามไปดูนอกบ้าน ก็พบเป็นหัวปีศาจ ส, สามสี่หัวล่องลอยไปมาใช้ลิ้นตวัดเพื่อกินมดปลวกตามพื้นและคุยกันว่าจะกินพระในเวลาก่อนรุง่งพระเลยลากเอาร่างที่ไร้หัวเหล่านั้นไปซ่อนไว้เมื่อปีศาจกลับไปดูที่บ้านไม่พบทั้งพระแล้วร่างของตัวเองก็เลยตกใจและโกรธจัด ทั้งหมดหาพระจนเจอและได้รุมทำลายพระแต่ก็ไม่อาจทำอะไรได้เพราะพระเคยเป็นซามูไรมาก่อนแล้วเมื่อถึงตอนเช้าปีศาจเหล่านั้นก็ได้ตายลงแต่หัวของหัวหน้าปีศาจก็ได้กัดติดกับจีวรพระจนไม่สามารถถอดออกได้ต่อมามีโจรผู้หนึ่งได้ขอซื้อหัวปีศาจนี้จากพระ โจรหวังว่าจะใช้หัวปีศาจเหล่านี้หลอกผู้คนเอาเงินแต่ต่อมาก็กลัวปีศาจจะมาเอาคืนเลยทำสุสานฝังให้ว่ากันว่าสุสานแห่งนี้ยังมีปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับกระสือที่เรารวบรวมมาเล่าก็มีเพียงเท่านี้ คุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากให้ช่องเรื่องเล่าผีหลอนเล่าเรื่องอะไรอีกหรือถ้าคุณมีเรื่องเล่าหลอ น, ลอนสามารถส่งมาให้เราได้ที่ใต้คอมเมนต์ น, นี้หรือที่แฟนเพจเรื่องเล่าผีหลอนได้นะครับถ้าคุณผู้ฟัง